พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าเงินทองของใช้ส่งได้แค่ปลายทาง เอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเล่ากล่าวอะไรให้ฟังคณะสัทธาญาติโยมเพื่อได้รับรู้รับทราบพวกพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีอะไรเราจะต้องได้พูดได้กล่าวแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบวันนี้เป็นวันที่10บพฤศจิกายนพุทธศักราช2558 วันนี้เป็นถเป็นวันพระแรมส4บสี่คาำเดือนส1บเอ็ดวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเพราะนั้นวันนี้จึงมีการไหว้พระและก็สมาทานศีลเป็นเบื้องตน้นศีลห้านะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้บอกกล่าวเรื่องราววันที่แปดที่ผ่านมา พวกเราก็รับรู้รับทราบกันพร้อมกันแล้วที่พวกเราได้ร่วมกันทอดถวายผ้าพระกถินที่วัดของเรามีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีสมสวรีพระวรราชาทินัดดา마ตา์กับพร้อมกับน้องสาวของพระองค์ท่านหม่อมจรารีเป็นประธาน แล้วก็ระสกนิกรจังหวัดทุกหมู่เหล่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นงานทุกอย่างหลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าของหรือว่าเจ้าอาวาสหรือว่าประธานสงฆ์ในวันนั้นหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจงานของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่มาถึงวันนี้หลวงพ่อก็ได้สืบสอบถาม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหมู่เหล่าที่วัดของเราก็ก็ยอมรับเป็นแนวแถวเดียวกันว่างานของพวกเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญห า, ารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความารักเคารพให้ความาสนใจใส่ใจมาในงานเรื่องอาหารการบริโภคก็อบอุ่นอุ่นน้าฟ้าขึ้ง อิ่มน้ำสำราญพูดง่ายๆฮะเรื่องของใช้พวกน้ำพวกไฟเพื่เอเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่าเพียงพอหลวงพ่อก็ได้ถามไปหมดน ะ, ะก็มาวันนี้ก็หลวงพ่อแต่ชัดไทยญาติโยมก็ถามไทยเข้ามาอีกเหมือนกัน ยอดกระถินได้เท่าไรอันนี้ก็คือเป็นพระเพณีเอาอถ้าหาว่าแล้วไม่พูดไม่กล่าวให้คณะจัตายาญาติโยม ฟ, ฟังมันก็อืมเคึมนะถ้าหากว่าพูดให้ฟังแบบางครัง้งบางคนก็ได้ยินว่าโอ้ยหลวงพ่อยินขี้อวดอได้เงินจตุปัจจัยมาเพียงแค่นั้นไม่ใช่เงินตัวเองอีกต่างหกากเป็นเงินของวัดอวดหน้าอวดหลังแห่มันมีหลายหลายเรื่องราวนะคณะจัตายาญาติโยมแต่ที่ยังไงหลวงพ่อก็ พูดพูดให้พวกเราท่าน ท, ท, ทั้งหลายได้ฟังน ะ, อะยอดกรถิญผมไม่ใช่เงินของหลวงพ่อเป็นเงินของกลางเป็นเงินของพระพุทธศาสนาที่ได้มาแล้วกันน ะ, ะเราจะใช้ใจ่ายอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อพี่น้องประชาชนก็ได้คิดคิดกันไว้แล้วโดยคณะกรรมการน ะ, ะยอดกระถินฟังน ะ, ะยอดกระถินวัดของเรารวมกันทั้งหมดได้11ล้าน ห1แ0นสล้านหแแต่มีปลายมันหลวงพ่อก็มีอยู่แต่หลวงพอ่อกมันกำลังทะลักเข้ามาก็มีอยู่เป็นส่วนปลายของมันบางคนก็ยังไม่ได้โอนเข้ามาก็มีที่พูดกับหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อพูดต้นให้ฟังว่าจะตุปปัจจัยยอดกระถินที่พวกเราได้ประกาศออกไปนี่ก็คือ สบเอ็ดสิบล้านหกแสนแต่ผู้ที่จะโอนเข้ามาก็มีอยู่แต่เงินทั้งนี้ทั้งนั้นเวลามาเนี่ยเหมือนกับสองสปอตไลท์เข้ามาสู่วัดของเราไซโยโฮฮิ้วอีต่างหากเสียงสนั่นหวั่นไหวประกาศออกไปแต่เวลามันจะออกไปเนี่ยมันดับเทียนซะก่อนนะดับไฟฉายซะก่อนมันลอมมาแหลอมออกไปหมดไปหมดไป ทำไม่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวัดของเราถ้าขนาดยังไม่ได้รับจตุปัจจัยเขาได้ทอดทราบข่าวว่าจะมาทอดกระถินนั่นนะจังหวัดมุกดาหารอําเภอน้องสูงเขาก็มาขอแหละตรงพ่อกระตกลงให้เขาลนะล้านห่านะสร้าง อ, อ, อ, อ, อาคารสำหรับสมทบนะไม่ได้สร้างแต่ข้าง จ, จริงๆก็เกือบห้าล้าน แต่เขาว่าขาดเงินอยู่ล้านห้าครับหลวงพ่อเขามาขอหลวงพ่อเออเอาได้ตกลงให้เขานะแต่ไม่รู้วันไหนละเงินเนี้ยที่ได้มาเนี้ยะมันจะมาหลอมมาแหลมออกไปนะ<ด>เหมือนดับไฟออกไปแล้วลูกหลานอันนี้ก็บล้านห้าสร้างอาคารให้กับโรงเรียนสําหรับโรงอาหารนักเรียนเป็นเกือบพันพันสองพเวลาทานเวลาลงไปแล้ว ไม่มีที่ทานอาหารเนี่ยพอได้ก๋วยเตี๋ยวคนละถ้วยกูวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนเวลาฝนตกมันก็จำเป็นอีกเหมือนกันหลวงพ่อหน้าจะทําให้เขาเพราะเขาขอมานานแล้วเขาก็หาทุนของเขาไม่พอหลวงพ่อรับ น, ะ น, นี่แหละกับเรื่องบ้านสวนของเราสถานที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านสวนอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิง สำนักชีห่างจากวัดของเราประมาณเจ็ดกิโลที่เราไปสร้างไว้กเซ็นสัญญาเลยดเดห้าล้านเก้าหมืนนะแต่พอพอออกเข้าไปบานปลายไปอีกหลายแสนอีกเหมือนกันผล ง, งานมันไม่อยู่นิ่งนี่แหละอันนี้ก็พร้อมที่จะเราจะได้จ่าย เ, เห็นเห็นได้ชัดๆคือเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเบี่ยวไม่ได้เลยตอนนี้ต้องหาจ่ายนี่แหละ แล้วก็อย่างอื่นอีกที่ขอมาถ้าหลวงพ่อจะบรรยายไปเนี่ยหลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหารในหลวงพ่อเองได้จะตกปัจจัยมาเพื่อสุมชนสังคมถึงจะไม่ได้มาหลวงพ่อก็ไปนะไปเจอสิผู้ที่มีพอเป็นไปได้อย่างระบุชื่อเลยก็ได้นะระบุชื่อเลยก็ได้คุณสมบัติเฉลมิมวุฒินัน คุณสมบัติท่านก็เคยทำบุญทำทานแล้วก็ท่านจะมาทอดกระถินวัดรวมธรรมอำเภอเพนวันที่สนะิบสี่เนท่านจะมาทอดกร ะ, กระถินหลวงพ่อก็บอกเออบอกกระหมูของท่านนะดูๆจะคันผู้ที่พอมีอันจะเป็นจะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกทำมาค้าขายเรื่องข้าว ได้รวยมากับข้าวข้าวได้มาจากไหนไม่ได้มาจากเกษตรกรรมพี่น้องประชาชนหลังสู้หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก่อนจะได้ข้าวมาแล้วก็ขายออกไปแต่ผู้พวกเราเป็นพ่อค้าคนกลางาทำมาค้าขายขายจนร่ำรวยจนมีฐานะขึ้นมาได้มาจากไหนได้มาจากพี่น้องประชาชนคนยากจน เ, เพราะนั้น ส่วนหนึ่งเศษหนึ่งเราคืนให้เขาได้ไหมหลวงพ่อก็บอกเนี่ยคืนให้เขาได้ไหมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเศษหนึ่งนิดๆหน่นอยๆอท่านก็ยอมท่านก็รับนะรับเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้โรงเรียนบ้านหัวซางนี่ยนะที่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อเนี่ยจุดโคดคนเขตและอำเภอกันอำเภอน้ำโสมเขาบอกนักเรียนกี่ร้อยคนนักเรียนมันล้นโรงเรียน ต้องเดินไปต้องเดินไปเรียนหนังสือแต่ละอาคารหมุนกันไปหลวงพ่อได้ยินนะมันน่าจะามันน่าจะเป็นไปได้ลูกหลานได้หลวงพ่อก็เนี่ยพูดกับพระโพดีพูดที่พอเป็นไปได้ไม่ให้เดือดร้อนแต่เดือดร้อนอย่าทำนะถ้าเดือดร้อน่อย่าทำแต่หลวงพ่อพูดไปก็เถอะถ้าใครเดือดร้อนอย่าทำาทำเข้าไปแล้วเดือดร้อนทำเพราะจเสียใจอีก ไม่ได้บุญทํามาแล้วสบายใจยเออเราทําถูกแล้วอย่างหลวงพ่อให้อะไรไปก็ตามหลวงพ่อคิดถูกแล้วให้ไปแล้วไม่ไม่เดือดร้อนนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็บอกว่าควรจะสร้างอาคารแต่อาคารหลังนี้มากราคาแพงไม่หลวงพ่อบอกได้เลยราคาประมาณสี่ล้านกว่าบาทนะเพระอาคารแปดชั้นสี่ชั้นข้างล่างชี้ชั้นข้างบนประมาณถัดรวมโต๊ะเก้าอี้เขาไปด้วยนะ หลวงพ่อทําอะไรหลวงพ่อจะให้ทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้นะพอหลวงพ่อก็บกุกบอกเจ้าของเจ้าศรัทธานะอย่างไปสร้างที่อำเภอเพนบ้านสมเศร้านะเขาท่านเจ้าภาพท่านก็จะให้แต่อาคารข้างบนสี่ข้างล่างสี่แต่ผู้รับเหมาก็บอกว่าเอาเรื่องโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนล่ะท่านท่านไม่ได้ว่าอะไรครับโอไม่ได้ไม่ได้หลวงพ่อก็เลยบอกเออท่านดตรต เอออาคารสร้างเสร็จใหม่ๆแลอโต๊ะเก้าอี้ล่ะเออเอาของเก่าๆขึ้นเอาไปใช้นต่มันไม่สมศักดิ์ศรีนะหลวงพ่อว่านะมันไม่สมศักดิ์ศรีของอาคารใหม่น่าน่าจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดได้อาคารใหม่โต๊ะเก้าอี้ก็ต้องใหม่ด้วยนะท mm. ่านก็ครับครับครับท่านวัดเ น, นะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อไม่ได้เพื่อหลวงพ่อนะคณะทายาิโยมลูกหลาน ที่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นนะ่ะถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงไม่รู้ว่าวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์เนะี่ยให้ความใส่ใจสนใจเรื่องโรงร่าโรงเรียนเรื่องสาธารณประโยชน์อย่างไรเนะี่ยถ้าพูดให้ฟังก็เหมือนหลวงพอนะ่อโอ้ขี้อวดอวดหน้าอวดหลังเท่งที่เป็นเงินของคนอื่นเขาเนะ่ยแต่เป็นเงินของคนอื่นเขาก็จริงแต่หลวงพอ่อถ้าหลวงพ่อไม่พูดนะพอ่อหลูกพ่อเป็นสะพานบุญในชะ่เป็นคนกลางเชื่อมสัมพันธ์ ถ้าท่านก็อยากจะทำบุญอยู่แต่ไม่รู้จะลงจุดไหนฮะอยากจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนอยู่แต่ไม่รู้จะลงจุดไหนฮะแต่หลวงพ่อก็ชี้จุดให้ลงนะเหมือนกับยุดทั้งเครื่องบินอยู่บนฟ้านะมันมไม่หาที่ลงไม่ได้หลวงพ่อลงสนามจุดนั้นนะลงสนามจุดนี้นะ เ, เ, เครื่องบินก็จะได้ลงจุดถูกที่ถูกทางนี่แหละวัดวาศาสนาเป็นอย่างนี้แ ล, ล้วหลกานคณะทธายาธิโยมแต่วันนี้นะ หลวงพ่อชันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วอตอนเทียงเที่ยงสายสายหลวงพ่อเขาคงจะได้เดินทางไปนู่นนะลูกหลานน ะ, ะไปสกลนครอำเภ อ, าเ พ, อพารณานิคมจังหวัดสกลนครวัดหลวงปู่มั่นวัดบ้านหนองผือนาในที่เป็นต้นตระกูลของอพระกรรมฐานที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาเป็นเวลาถึง6ปีหลวงปู่ล่าก็อยู่ที่นั่นหลวงตามหาบัวที่เป็น พ่อแม่ครูบาจารย์ของหลวงพ่อก็ศึกษากับหลวงปู่มั่นนี่แหละตรงบ้านหนองผือนี่แหละแต่บัดนี้ทางวันครบรอบวันมรณะภาพหกสิบหกสิบสามหรือกสิบเท่าไรปีเนี่ยลหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ดูในในบิดฎีกาไี่หมดนะแต่หกสิบกว่าปีนี่แหละทีนี้ท่านก็จัดงานวันครบครอบหลวงปู่มั่นแล้วก็พร้อมกันท่านก็จะมีการ สร้างเจดีเจดีถวายอง์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อทราบมาอย่างนั้นนะเพราะนั้นวันนี้แหละหลวงพ่อจะได้ไปดูแล้วก็เขาเจ้าภาพก็นิมนต์แสดงธรรมเมื่อปีที่แล้วก็หลวงพ่อก็แสดงธรรมนะที่บัตนน้องผือนาในหลวงพ่อก็เล่าประวัติของหลวงปู่มั่นบังหลวงตาบังหลวงปู่ล่างครูบาอาจารย์หลวงปู่วันหลวงปู่ต่างๆที่เป็นเพชร เป็นเพชรนินจินดาออกมาจากจุดนั้นจุดบ้านน้องผือนาในานี่แหละหลวงพ่อก็จะได้เข้าไปกบคาระวะรอยเท้าของครูบาอาจารย์ที่บ้านน้องผือนาในใยวันในหงษ์ทำไม่มีอะไรขัดข้องเขาค ง, งจะได้แสดงธรรมคงจะได้แสดงความคิดเห็นที่ได้เรียนได้ศึกษาได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างไร ถ้าพวกเราไม่เชิดชูบูชาไม่เทิดทูนใครจะเป็นผู้เทิดทูนเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ไปบ้านน้องผือนาไนนะลูกหลานนะแล้วก็คงจะกลับมาทางพัพกกับท่านวัดวัดของท่านรัตนะคงจะฉันจังหาและลงอุโบสถเพราะวันพุ่งนี้เป็นวันอุโบสถนะลูกหลาน วันนี้เป็นวันพระก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่วันอุโบสถวันอุโบสถตกปักปักตกวันพุ่งนี้เป็นวันลงลงพระปฏิโมกลงโบสถนะหลวงพ่อก็คงจะลงโบสถที่นั่นนะแต่จะเดินทางต่อไปอีกไปภายภาคไปข้างหน้าอีกนะอันนี้ก็คือเรียนบอกกล่าวให้กับตูกลาดใทสาวหลวงพ่อไปที่ไหนทาอะไร ช่วยชุมชนสังคมอะไรแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็เตือนตนเองอยู่เสมอว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดนะอันนี้คือทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ในใจของหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาขยะวยธรรมมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติ สังขารร่างกายเป็นของไม่เทียงนะท่านเนะ้อหลวงพ่อก็เตือนหลวงพ่ออินอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ยกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเตือนหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเอ้ยร่างกายของหลวงพ่ออินอายุเท่าไรยละปีนี้อายุเจ็ดสิบเอ็ดเข้ามาแล้วครับหลวงพ่ออินตอบหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะให้ถึงความด้วยความไม่ประมาทนะครับนี่แหละลุงพ่อก็พยายามนำทำคำสอนของพุท ธ, ธะแต่มองอยู่เสมอว่าร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นของตัวเองอัตติอัตโนานาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรซิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรา เ, เงินคําทรัพย์สมบัติหามาแทบล้มแทบตายตั้งแต่แถไหนแต่อไรมาเก็บหอมลอมริบ เ, เงินคําทรัพย์สมบัตินี่ก็ส่งเราไปถึงไปถึงโรงพยาบาลเท่านั้นแหละไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ใช้จ่ายในโรงพยาบาลเพในส่วนก็ไปตายในโรงพยาบาลนียพอตายในโรงพยาบาลญาติพี่น้องที่ ทางลูกทางเมียทางพ่อทางแม่วงสาคาน า, ายาดยาิมิตรสหายลูกศิทธิ์ลูกหาออพอจะได้กระส่งไปถึงเมนเอกไหมไปส่งไปถึงเมนใครก็ไม่กระโดดเข้าเมนไปโดดไปส่งเลยต่ตางคนต่างถอยอีกกัไฟเผาเขาอีกยังเหลือแต่กระดูกพี่น้องทั้งหลายส่งถึงเมนเงินถึงเงินส่งถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลรับรักษาได้เงิน แต่พี่น้องประชาชนส่งถึงตัวของเรานี่ส่งร่างของเรานี่ไปถึงเมนและต่างคนต่างถอยกลับของใครของเราบัดนี้ก็มีแต่เรา่นไปตามลำพังนะพนียอัตติอั ต, อตนโนโนาโถโกหินาโถปรโรสีญาเนีคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของข้าพเจ้าเองนะหลวงพ่ออินอนี่แหละขอฟังเอาไว้นะคณะทาญาิโยมลูกหลานจะตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประโยชน์ตนคือให้พร้อมให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยสำคัญประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ส่วนประโยชน์ท่านก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลแนะนําพี่น้องประชาชนไปแสงแสดงธรรมในสาธารณะ สาธารณทั่วไปให้คำแนะนำสั่งสอนที่ได้ศึกษาได้เรียนได้ปฏิบัติมาอย่างไรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แด่ความรู้มาจากไรเราก็พยายามแนะนำบอกกล่าวให้กับคณะศัทธาญยยา จ, จมลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้เป็นถึงจะทำไม่ได้ก็ให้เป็นป ร, ประดับสติปัญญาบา ร, รมีของตัวเองถ้ามึงเมื่อถึงคราวนึ่เมื่อถึงคราวนึง เมื่อเราเราได้ฟังได้ยินได้ศึกษาแล้วเราก็นำไปปฏิบัติได้เพราะมันเป็นสมบัติอยู่ในจิตใจของเราเราจะนำไปใช้ได้แต่ถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังเเลยไม่ได้ศึกษาธรรมะเเลยไม่ได้มีความคิดไม่มีแนวความคิดนเรื่องพุทธศาสนาเเลยไม่ได้ฟังธรรมคำสัส่งสอนของพระพทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยเราก็ไม่รู้จะเดินทางไหนเหมือนกันนะ เออหูหนวกตาบอดไปเรื่อยเออไม่ตรวดตัวเองดีผลที่สุดว่าดีมันได้อะไรว่าหาเงินดีใช่ไหมเออผลที่สุดก็ไปส่งถึงโรงพยาบาลอยากบาดเออถ้าวายาติผี่น้องข่าพระเจ้าโอ้ดทีทุกคนเลยผลที่สุดก็ไปส่งถึงเมรุนัเองใช่ไหมที่พูดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจคิดดีทดําดีพูดดีเลิศประเสริฐสําหรับตัวของเรานั่นแหละที่พึ่งของเราเนี่ยคือคิดดีทดําดีพูดดีไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขวันนี้หรงพอให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอรับพรในเสนีหนะ